ตกลงจำให้มั่นคือ1วิมุตต์ฟังไว้ได้ไม่จําเป็นต้องทําสภาพนั้นให้เกิดเพราะไม่งั้นจิตจะไปก๊อปปี้สภาพว่างขึ้นมาจะกลายเป็นอรูปฌปานแต่เป็นหลงเป็นนิพพานเนะี่ยอรูปฌปานเกิดได้จากการฝึกอยู่แล้วไม่มีปัญหานะีแต่ทีนี้ไปสร้างภาพแล้วไปหลงเป็นนิพพานไปยึดสภาพนั้นทีนี้ยุ่งมันใหญ่เลยแกะไม่ออกเลยนะครับ 2. ก็คือวิธีการทั้งหมดทํำยังไงให้เรากลับไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริง ก็คือเดินตามอริยมรรคแล้วอริยมรรคทาอะไรจัดการกับโลภะโทสะโมหะที่มีในจิตถ้าเรานึกภาพปฏิจจสมุปบาทตอนนี้ออกอเดี๋ยวผมเปิดให<ก>้ก็จะเห็นว่าอาวิชชาปรุงแต่งสังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปรุงแต่งสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเมื่อกี้เราเห็นเรื่องราวเยอะแยะทั้งลิงจูบทั้งอะไรเนี่ย เป็นขั้นตอนที่อยู่ภายใต้อวิชชาทั้งหมดเลยถูกมันหลอกเห็นไก่ย่างก็ปรุงเป็นไก่ย่างมาโดนที่ผัดสะผัดะมันเอาวิญญาณจากขุวิญญาณมาแปร ى. เพราะวิญญาณโง่อยู่แล้วไปปรุงเป็นของเราเป็นเราเอาสัญญามาปรุงเป็นตัวตนเป็นไก่ย่างขึ้นมาเลยทั้งๆั ท, ง ท, งที่แค่แสงมากระทบเรานั่งดูเฟซบุ๊กสเตตัสจะสุขจะทุกข์ก็แล้วแต่คือแสงมากระทบเสียงมากระทบเป็นคลื่นในอากาศมากระทบ ก็ไปปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเลยจึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาอีกแสดงว่าทุกอย่างที่กระทบเข้ามาเราโดนหมดเลยนะเนี่ยเราปรุงแต่งความถี่ทั้งหมดที่อยู่ในโลกในจักรวาลที่มากระทบทางตาหูของเราขึ้นมาเป็นตัวตนหมดเลยยกตัวอย่างให้เห็นอีกอันง่ายๆกิ้ฮัลโหลทะเลาะเลยทำไม้ทั้งทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเลย วางหูปับเนี่ยสโลโมชั่นดูใหม่สมมุติทะเลาะ ก, กับแฟนแล้วกันที่ออกมาจากตรงนี้จริงๆเสียงที่มาเข้าหูมีโสตะวิญญาณแปลกข้า<ม>เรื่องเรื่องมีอยู่แค่เนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยอายตะนาภายนอกอายตะนาภายนอกวิง่งวู เข้าไปในหูอายตนาภายในแล้วมีโสตะวิญญาณมาแปลค่าเรื่องมีอยู่กลุ่มสามตัวเนี้ยแต่ใครด่าท่านเมื่อกี้แฟนแล้วแฟนอยู่ไหนอยู่ปลายสา ย, ยางไงเห็นเหรอมีแค่เสียงมาดิดๆดๆๆยด่ตรงนี้มันถูกปรุงขึ้นมาเป็นคนมันปรุงขึ้นมาเป็นแฟนเพราะมีกูคนแรก แล้วถ้ากูหายไปอ่ะไม่รู้เหรอว่าใครโทรทำไมจะไม่รู้สัญญามีอยู่แล้วเ้าด่าละ่ะแค่ลมปากอารมณ์ไม่เกิดกดดับหูก็ดับวิญญาณไม่ดับ <c oughs> แต่ถ้าฝึกอินทรีย์พลานาชนเลิศ ก, กดวางเสียงดับหูดับ วิญญาณก็ดับดิทําอะไรทไี่ตามปกติเลยจะไปญหญุ่นยีทําไมอ่ะถ้าขยับญหญุ่นยดปัป๊บสร้างชาติเลยได้สร้างภพเลยแล้วทําไงถึงจะเป็นอย่างเนี้ยทําให้จิตหยุดการปรุงแต่งดิพราจิตหยุดการปรุงแต่งสัญวิญญาณก็ดับแล้วจิตจะหยุดการปรุงแต่งได้ไงอวิชาต้องดับอวิชาจะดับได้ไงพรุ่งนี้เช้ามาต่อจริงๆไม่ได้พูดเล่น เอากลัวเกิดมาด้วยอ่ะอาาหังสมมาพูดะเสียงแหบแล้วอ่ะเชิญครับหลายคนเห็นภาพนะแต่มันสลัดไม่ออกต้องทำให้มากเหมือนจะรู้เหมือนจะเข้าใจอะแต่สลัดไม่ออก